ลำดับที่11โดยหลวงข้ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดพุดธานีสแสดงธรรมในวันที่31สิงหาคม2558มีชื่อเรื่องว่าไม้ยางสามประเภท วันนี้เป็นวันที่สาสิเอดสิงหาคมพุทธศักราชสอง8้าห้าสิบแดเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์มีคณะมาคารวะตามประเพณีช่วงเทศกาลเข้าพรรษามมีมาทางจังหวัดกาลสินวัดหลวงปู่ใหญ่ของเราปู่เขียนนะพระอาจารย์สงบพาคณะมา พี่น้องแถวบัตรบานโพนแถวภูไทยนะอแล้วก็มีน้องบัวซออแล้วก็อุดรมีหลายคณะมีเมื่อวานนี้มีหินมักเป้งด้วยก็เลยเห็นเทนแล้วก็โออบอุ่นคนมากเมื่อวานนี้แต่ถึงยังไงก็ยังน้อยกว่าน้อยกว่าวันอำเภอบ้านผือมาอำเภอบ้านผือมาวันนั้นโอ้ ล้นศาลาใหญ่เลยแต่วันนี้พอดีพอดีกับศาลาก็มากอยู่ mm hmm. ช่วงเทศกาลว mm hmm. ันเข้าพรรษาเป็นการสแสวงสร้างบุญสร้างกุศลของพี่น้องประชาชนในช่วงหนึ่งเพราะเพราะครูบาอาจารย์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาท่านขอมีภาระธุระวางลง บางดีบางวัดก็ถ้าไม่จำเป็นจริงท่านก็ไม่ก่อสร้างท่านก็ได้พาคณะัทธาญาติโยมบําเพ็ญทานศีลภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานเรื่องภาวนานะนะั่นเป็นหลักแต่ก็พอมีพอมีเวลาก็พาคณะสัทธาญาติโยมทัศนศึกษา ไ ป, ไปตามวัดกวาไปตามวัดกลุบาอาจารย์เพื่อจะได้เรียนรู้ศึกษาว่าวัดของท่านกับวัดของเราเป็นยังไงอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งหลวงพ่อดีก็ดีแต่มาถึงวัดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ถามนะว่าพวกเราท่านทั้งหลายมีเวลาไหมถ้าไม่มีเวลาหลวงพ่อก็จะไม่พูดนะเพราะหลวงไม่หลวงพ่ไม่ใช่อยากพูดนะไม่พูดนะดีกว่า แต่ถ้าหาว่าเมื่อมาแล้วมาเป็นกลุ่มใหญ่ไม่ได้ยินเสียงครูบใบจาย์พูดเสยเลยก็รู้สึกว่ามันหลง ม, มแหลมคล้ายๆกับว่ า, วามันเป็นยังไงมันขาดอยู่เพราะนั้นหลวงพ่อมาพิจารณาถึงจุดนี้หลวงพ่อจึงเออเอาตั้งใจฟังถ้าอยากจะฟังนะถ้าหากว่าหลวงพ่อไม่พูดก็หาคนพูดได้ยาก เอกเหมือนกันในยุคสมัยนี้หลวงพ่อไม่ใช่คุยไปหาฟังฟังดูก็ได้เพราะครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์ท่านก็แก่แล้วท่านก็พูดเพียงนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ท่านไม่พูดนะแต่พวกเราจะเฉลียวฉลาดได้ยังไงถ้าเข้าไปใกล้ครูบาอาจารย์แล้วไม่ได้ยินได้ฟังไม่เป็นไรเราเข้าไปใกล้นักปราชญ์แล้วก็เดี๋ยวก็จเจริญเองทางนั้นเราก็เอาพระพุทธรูปม า, าไว้ที่บ้านของเราก็ได้ ไปเฝ้าพระ พ, พ, พุทธพระพุทธาลุทุกวันทุกวันไม่ต้องไปที่ไหนพอพระพุทธรลุบเป็นวันฑิตนักปราชญ์พวกเราจะเฉลียวฉลาดไหมเพืเพื่อต่อมาจะประมาทพระพุทธรลุบอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะว่าพระพุทธรลุบสอนไม่เป็นพูดไม่เป็นเป็นอย่างนั้นไปอีกนะกิเลสกิเลสของมนุษย์ทั้งที่ท่านเลิศประเสริฐเพราะนั่นก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังบ้างการได้ยินได้ฟังกัเป็นแนวความคิด สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะว่าแนวความคิดของพุท ธ, ธะเนี่ยมากมาย 84% ดหมี่พพระธรรมขันธ์พระองค์ระลึกตรึกตรองอทำอันไหนขึ้นมาได้พระองค์ก็ออกมาแนะนําสั่งสอนพวกเราเพระเาะว่าพระองค์รู้ตรึกขึ้นมารู้ขึ้นมาเอออันนี้จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมของพระองค์พระองค์ก็นํามาพิจิตร มาแนะนำสั่งสอนอย่างสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตามลำพังพระองค์พระองค์ตึกขึ้นมาได้ตรองขึ้นมาได้คล้ายๆว่าทำขึ้นมาในประทไทยของพระองค์พระองค์บอกว่าไม้ที่ชุ่มด้วยยางและลงไปแช่อยู่ในน้ำ แล้วเอาขึ้นมาสีไฟจะไม่เกิดจะไม่มีไฟจะไม่มีไฟเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะไม้มันชุ่มแล้วก็แช่อยู่ในน้ำด้วยแต่ในไม้มันอยู่บนบกแต่ชุ่มด้วยยางมันเปียกไม้เปียกไม้ชุ่มเอามาสีไฟก็ไม่สามารถที่เป็นไฟได้พอมันชุ่มมันเป็นมันมียางอยู่ไม้แห้ง ที่อยู่บนบกแห้งสนิทแล้วก็ออกมาสีไฟทำให้เป็นไฟขึ้นมาได้อันนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ได้มีเมื่อวานวันก่อนก็มีคนมาถามหลวงพ่อเหมือนกันทีหลวงพ่อครับผมเนี่ยเป็นฆรวาสแต่อยู่ในฆรวาสสามารถที่จะปฏิบัติธรรมพ้นทุกในวัฏสงสารได้ไหมหลวงพ่อ หลวงพ่ออืมถ้าจริงจังในพระไตรปิฎกท่านเขาไม่ปฏิเสธแต่มันก็ยากอผู้ที่จะอยู่ในคารวัตเพราะสิ่งแวดล้อมมันมากทําไมจึงเราไม่หนีออกจากคารวาัตมันอันตรจุดนั้นคือจุดหนึ่งแล้วที่จุดหนึ่งแล้วที่ว่าเราทําไมไม่ออกจากคารวาัตนะแต่ตัวเองไม่รู้แต่มันถ่วงอยู่ในนั้นแล้วเอแต่ตัวเองไม่รู้แต่คนอื่นรู้ล่ะทําไมออกไม่ได้มันต้องมีจุดถ่วง ก็ว่าจุดถ่วงจุดนั้นแหละที่จะทำให้จิตใจมันเหมือนกับจมอยู่ในน้ำนะอ่ามันอยู่ในน้ำมันจะสีไฟได้อย่างไรเอแต่ตัวเองไม่รู้แต่ผู้ฟังเนี่ยรู้แล้วที่ออกไม่ได้เพราะอะไรนะเนี่ยแหละสิ่งเหล่านี้หลวงพ่ อ, อบอกว่าถ้าหากว่าเป็นเป็นพระเป็นนักบวชนั้นจะมีโอกาสกว่า ที่จะทำให้จิตใจพ้นทุกข์ในวัตะสงสารเข้ามาอยู่นี่เเป็นนักพรตนักปวดไม่ใช่จะมาบวชที่วัดนาคําน้อยนะอย่าไปหาคิดอย่างนั้นที่าคิดอย่างนั้นไปคิดเข้ามาหาตัวเองไปบวชที่ไหนก็ได้อยู่ป่ารงพงไพ่ตั้งใจภาวนาตั้งใจภาวนาหาทางพ้นทุกข์เป็นนักพรตนักบวดแล้วก็บำเพ็ญตะปาอพิร ม, มจริยา อย่างแข่งขันจะมีโอกาสที่จะพ้นทุกได้อย่างที่หลวงพ่อพูดว่าถึงแต่ถึงจะต้นไม้ต้นไม้มีบารมีเหมือนต้นไม้ใหญ่ไม้ตะเคียนไม้ปะดูมักข่าไม้ใหญ่แต่มันอยู่ในกระถางที่กระถางอยู่หน้าบ้านของเราแล้วจะปลูกไม้กี่ปีกี่ปีมันก็ไม่ใหญ่เพราะเหตุไรเพราะมันอยู่ในกระถาง มันไม่ไม่จเจริญงอกเลยแต่เอาแต่ต้นไม้ตัว น, นั้นเอาไปปลูกในสถานที่เหมาะสมเอาลงดินดินดีแล้วก็ไม่มีต้นไม้ปกคลุมไม่ชื้นไม่แฉกคนเกินไปมีน้ำพ อ, พอเหมาะสิ่งวัตพืชไม่เข้ามารบกวนรักษาดี มีปุ๋ยอีกต่างหากต้นไม้นั้นกับมิมันก็จเจริญงอกเงยขึ้นมาตามสภาพของมันเพราะมันเป็นต้นไม้ใหญ่นี้ก็เหมือนกันถ้าเราบำเพ็ญสมณธรรมมาแล้วเป็นผู้มีบุญพอสมควรแล้วถ้าเราก็มาศึกษาในธรรมคาสอนก็จเจริญงอกเงยงอกงามขึ้นมาได้เพราะเหตุอะไรเพราะว่าเราออกมาจาก ที่มุมอีกมุมหนึ่งอย่างที่ว่าต้นไม้อยู่ในกระถางอย่างนั้นแหละนี่ก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเพราะเมื่อเราพระพุทธองค์ตรึกขึ้นมาท่านองค์บอกว่าไม้ชุ่มด้วยยางลงไปแช่น้าแล้วเอาขึ้นมาสีไฟจะไม่เกิดเป็นไฟไม้ที่อยู่บนบกแต่ชุ่มด้วยยางก็ไม่สามารถที่จะสีไฟได้ไม่เกิดเป็นไฟ ไม้มันแห้งสนิทแล้วก็เอามาสีไฟไม้นั้นจะเกิดเป็นไฟได้ง่ายถ้าเปรียบเทียบให้พวกเราพวกเราที่เป็นท่านทั้งหลายฟังพวกเราก็คงจะงงอะไรทําไมไม้ทำไมจึงทําไมจึงไม้เปียกไม้ชุ่มคือไม้ชุ่มด้วยยางแช่ทุนในน้ํำท่านว่าเราเป็นฆราวาส ด, ด้วยมีกิเลสราคะโทสะโมหะเต็มบริบูรณ์ แต่ไปอยู่ในน้ำอยู่ในคารวาสญาติโยมธรมาหาเลี้ยงชีพเออไม่รู้่ามกมุ่นแต่ะวันแต่จะมาภาวนาจะให้พ้นทุกนวัตะสงสารถึงแดนพระิพานมันยากมันไม่เป็นมันไม่เกิดไฟขึ้นมาได้แต่ไม้ที่อยู่บนบกก็จริงแต่ชุ่มด้วยอย่างคือพวกเราเข้ามาบวชอยู่บนบกปฏิบัติธรรมแต่ว่า ใจของเราจึงใยในเรื่องการมรกิเลสเรื่องราคะโทสะโมหะอยู่นะคล้ายๆคำว่ายังคิดเป็นห่วงหาอะไรในเรื่องกิเลสเหล่านั้นอยู่ก็ไม่สามารถที่จะเป็นไฟสีให้เป็นไฟเกิดขึ้นมาได้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าหากผู้ที่ออกมาบวชแต่บำเพ็ญตะปะ คือศีลสมาธิปัญญาอย่างเข้มงวดกวดขันตัวตราดูตนเองยกระดับจิตใจให้ห่างเหินออกมาจากกามกิเลสราคะโทสัโมหะมีแต่ความมุ่งมั่นมีแต่ความตั้งใจมีแต่ตัวตราดูเห็นอเนจังทุกขังอน้ตาพยายามให้ทําให้จิตใจเบื่อหน่ายคา ย, ยก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้โดยง่าย อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังอันนี้คื อ, อพระพุทธองค์ได้ตรึกตรองด้วยพระองค์แล้วก็นำํำความคิดของพระองค์มาประกาศเป็นพระธรรมคําสอนพวกเราพิจารณาดูสิเจียงไม้เนี่ยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งในเมื่อพระองค์เสด็จเมื่อเป็นโปรโดปัญจวัคคีทั้งห้าโกนธัญญาวาปะพัทธิยะมหานามาอจิชินะเจา้าพระองค์ก็เสด็จไป เดินทางไปออกจากกรุงพาราณสีเพื่อจะไปกรุงราชสคืนไอ้กรุงนี่แหละไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคือไอดฉนดีสามพี่น้องลุเวลานาทีกระจาะปะที่กรุงราชสักคนะแล้วพระ อ, องค์เดินมากมาเห็นพระยศเกิดความเบื่อหน่ายในในการเป็นครวัตพระ อ, องค์เทศนาให้ฟังท่านก็ได้สำเร็จ เ, เป็นพระอรหรันต เป็นพ่อพยศแม่พยศเป็นผู้ยึดภะไตรสรณคมเป็นคนคนแรกของพระพุทธศาสนายศพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเพราะปัญจวคคีทั้งห้าอุบัติขึ้นในโลกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นวันอาสารหะบูชาจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้เสด็จเดินมุ่งหน้า ม, มุ่งพระพักเดินมาถึงกรุงราชคฤห์ จากนั้นก็เห็นพยศเบื่อหน่ายในเรื่องการเป็นอยู่ของตนเองแต่ไม่รู้จะไปทางไหนมิตรโบสถ์ที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะบ่นไปตามทางจนเข้าไปถึงป่าช้าอป่าช้าที่พระองค์เสด็จประทับอยู่ตามลําพังเพราะพระพุทองค์บอกว่าที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยศสะเข้ามานี่นี่ยนะลูกเศรษฐียศสะก็เข้าไปกากพระพุทธยาพระองค์ก็แสดงทำให้ฟังก็ได้สําเร็จฮะแบบพูนแบบโพรกรัฐนะจากนั้นพระองค์ก็จะเด็ดต่อไปอีกพอไปไปนั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้ต้นหนึ่งพอโคนต้นไม้เห็นพัทธวคีสามสบพัทธวัคคีสามสิบคือคาดว่าเป็นไปเที่ยว แบบนั้นอะไปเที่ยวชายหาดแล้วไปเที่ยวสํารานลักษณะ น, นั้น่ไอ้ต่างคนก็ต่างมีคู่หัวผัเมียไปด้วยกันอแต่มีไอ้หนึ่ในไอ้เหนื่อยสาสิบคนมีไอ้หนึ่งที่มันยังไม่มีแฟนแบ้างนั้น่ไอ้พวกหมู่ก็กลัวไม่สนุกมั้งไอ้ก็เลยไปหาหญิงหญิงหาเงินพวกหญิงไอ้หาเงินมาให้หญิงหากินหญิงหาเงินมาใ ห, ห, ห, า ห, ห, าาให้พอมาอยู่ด้วยกันทีนี้ ผู้หญิงหาเงินของลูกไหมผู้หญิงหาเงินอพออันนี้เผลอเท่า น, นั้นแหละท่ธธธธ น, นี่พัททวกคีไอไอยที่เนี่ยเผลอมันก็หอบอสมบัติที่มีอยู่น่ะเปิดแหนบไม่รู้หายาไปไหนท่นี่อพัททวกคีทั้งสามสิบคนนะครว่าผู้หญิงคนนั้นขโมยสิ่งของไปนก็แตกคือกันเนี่ยตามหาอะไรกันตามหา <c oughs> ผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่เอาของหายไปพอเดินไปค้นหาหญิงคนนั้นไปเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้นำในทางท่านสมณะท่านเห็นผู้หญิงเดินมานี่ไหมพระพธองค์นั่งสมาธินั่งขัดสมาธิทําไมพัทธวพวกท่านทั้งหลายหาทําไมหาหญิงเพราะว่าผู้หญิง เอาสิง่งมุกขโมยสิ่งของอ อ, ออกมานี่ยแหละพวกผมเลยข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าก็เลยตามหาเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าพวกเธอตามหาคนอื่น่ะตามหาหญิงนเ อ, อกับตามหาตนเองอันไหนเลิอดประเสริฐกว่ากันถ้าหาตัวเองนั่นแหละจะเลิอดกว่านะพัทธวัคนะีเนี่ยท่ทนนี้พอได้ยินพระพุทธองค์ว่าให้หาตัวเองตท่นั้นแหละ มันก็แทกเข้าไปอยู่จิตใจของพัทวคีเลยเพราะท่านได้บำเพ็ญมายาวนานแล้วท่านใช่ท่านสมณะพูดถูกว่าเอาถ้างั้นตั้งใจฟังพัทวคีทั้งสามสิบคนก็นั่งนั่งนั่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าคุปโ ร, ปรงก็บอกว่าพวกเธอทั้งหลายจะไปหาทำไมหาคนอื่นต้องหาตัวเองหาใจตัวเองใจของท่านนึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้ จากนั้นพระองค์ก็แสดงเรื่องอริยสัจทุกส ม, ทสมุทัยสมุทัยเหตุให้เกิดทุกคืออะไรการมะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเนี่ยสาเหตุให้เกิดทุกอในเมื่อทุกแล้วอในเมื่อมีทุกแล้วต้องเอามรักมาแก่อมรักมาแก้ไขมรักคืออะไรอสมาธิิสมาสังกโปวาจากัมมันตัวอิชีโววายโมสติสมาธิเนี่ยมรักแปดเนี่ยแก้ไข สมเหตุสมุทยจากนั้นคนที่โรธคือความดับทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายไม่ต้องหาคนอื่นห อ, อกหาในโลกนี่มันวุ่นวายไปทั้งหมดนั่นแหละหาคนนี้แล้วก็หาคนนั้นหาคนนั้นแล้วก็หาคนนี้ถ้าหาใจตัวเองนั่นแะมันจะจบมันจะสุดสิ้นสินสุดสิ้นสุดลงที่ที่นั่นถ้าพวกท่านหาที่อื่นไม่มีที่สิ้นสุดนะพัทวคี เออพระตะว ก, กีคือเชิงถึงใจจากนั้นก็ขอบวชในพระพุทธศาสนาพระองค์ก็บวช ด, ด้วยเอหิภิกุปุปสัมปทาท่านก็เป็นภิกษนะุนี่แหละในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หาที่อื่นนะคณะสัตยทายชาติโยมลูกหลานท่านให้หาตัวเองถ้าหาตัวเองเห็นตัวเองรู้ตัวเอง ใจของเราเป็นยังไงใจคนอื่นก็นนะั่นล่ะลักษณะเดียวกันเนี่ยคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ถ้าพอเราเห็นตัวเองนะกอรู้ตัวเองนะทนี่รู้รอบขอบชิดในตัวเองใครแสดงขึ้นมาเรื่องอการมราค่ะนี่ยฉายหนังการมาลาคะขึ้นมาเราก็รู้เลยเอออันนี้มันมาหมาดการมาลาคะวะออมันแสดงแบบนี้นะอคนนั้นแสดงขึ้นมาแบบนางยิ้วคิ้วขโมวดเอออันนี้มันแสดงออแสดงหนังแบบโทสะวะ เพราะเรารู้โดยตนเองมาแล้วถึงจากนั้นคนชนแสดงโมหะรุ่มหลง ม, มงัวเมาคิดว่าตัวเองจะไม่ตายเอในเงินคําทรัพย์สมบัติมาแล้วข่าจะใช้อย่างงั้นข่าจะใช้จริงไม่คิดว่าตัวเองจะตายเลยอันนี้เอออันนี้แสดงว่าฉันฉายหนังความหลงออกมานะ่นี่แหละเพราะอะไรพราะมันรู้ตัวเองแล้วถึงพ่อมันรู้ตัวเองแล้วก็มองไปคนอื่นก็ก็เห็นได้นะ คนนั้นเขาฉายอะไรเพราฉะนั้นจะมองหรือไม่มองเท่านั้นเองนีนี่แหละเพราะพระพุทธเจ้าท่านจึงแสดงพระธรรมคําสอนให้กับเวไนยสัตว์ทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายท่านไม่ได้เอาเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดนะเพียงแต่เป็นอุ ป, ปมาอุปไมยท่านเองคนอื่นยกขึ้นมาแล้วก็เอาเรื่องที่พระองค์ได้รู้แจ้งเห็นจริงในพระทัยใจของพระองค์เท่านั้นแหละนําไปชี้แจงแถลงให้พวก ผู้คนทั้งหลายได้ฟังพวกเราทั้งหลายก็ได้ยินนะโอ้ซึ้งใจใช่พระพทุทธองค์นี่พูดถูกจริงๆแต่ท่านก็ไม่ได้เอาที่ไหนมาพูดคือเอาเรื่องของพระองค์เรื่องพระไทยของพระองค์ฮะนี่แหละอย่างที่พระองค์ที่ได้ตรัสไว้เบื้องต้นว่าไม้สามไม้สามประเภทไม้แช่อยู่ในน้ําไม้มียางแช่อยู่ในน้ําไม่สามารถสีเป็นไฟไม้ ที่อยู่บนบกก็จริงแต่มันชุ่มด้วยอย่างมันมีอย่างไม่สามารถสีเป็นไฟไม้ที่มันแห้งสามารถสีเป็นไฟท่านก็น้อมเข้ามาหาตัวพระทายใจขององค์ท่านเองถ้าจิตเป็นอย่า ง, งานั้นมันเป็นอย่างไรถ้ามันชุ่มชําอย่า ง, งานั้นจะเห็นธรรมได้ยังไงจะรู้จริงเห็นจริงได้อย่างไรนี่แหละท่านก็มานํามาสอนพวกเราท่านทั้งหลายถึงพวกท่านทั้งหลายนะีย่ยใจต้องให้ ให้แห้งนะอย่าไปนึกตรึกในเรื่องก e ิเลสราคะโทสะโมหะนะทำให้จิตใจยกระดับขึ้นมานะแล้วก็บาเพ็ญ น, นะให้จิตใจเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะพิจารณาร่างกายหเห็นเห็นอสุภะปฏิกูลนะร่างกายสังขาร น, นี่ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายเนี่ยแล้วก็แก่เจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่จะเลี้ยงแล้ว จเจริญงอกเงยเป็นหนุ่มเป็นสาวสวยงามตลอดเอเอเเป็นบ่าวเป็นสาวเป็นอนันตการเคยมีไหมไม่มีฮะพอเลี้ยงไปเลี้ยงไปก็เกิดแก่แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดใช่ไหมใจเนี่แหละถ้าเราเป็นได้พิจารณาตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะ่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้จากนั้นท่านก็ให้พิจารณายังไงมีทางออกยังไงมีฮะมีทางออก สินสมาธิปัญญาเป็นทางออกชำระกิเลสภายในจิตใจภายในปัไทยภายในใจของพวกเราท่านทั้งหลายใจของเรารู้แจ้งเห็นจริงเบื่อหน่ายคลายจิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั่นแหละจิตใจที่บริสุทธิ์จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารเป็นอนันตการนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังศูนอย่างนิพพานศูนไม่มีอะไรที่จะทาให้ มาล ก, กวนในความบริสุทธิ์นั้นได้ศูนย์คืออะไรศูนย์เชื้อเชื้อคืออะไรคือเชื้อกิเลสราคะโทสะโมหะศูนย์ออกจากพระไทยศูนย์ออกปัดออกไปจากใจพระอริยะเจ้าทั้งหลายใจพระอริยะเจ้าทั้งหลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะเข้ามาครอบงำํำวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดกับพวกเราท่านทั้งหลายในแนวหนึ่งเอาต่อไปรับพร